เจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่26สิงหาคมพุทธศักราช2546ตรงกับวันแรง14ค่ำเยอน9เป็นวันพระ วันธรรมสวนะันวันฟังธรรมพอถึงเวลาวันพระได้เวียนมาถึงสัทาญาติโยผู้มีความแนวแนว่แนมั่นคงในพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะมาที่วัดเพื่อประกอบการ <c oughs> บูชาพระรัตนตรยัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตการบูชาะมีอยู่สองแบบด้วยกันคืออามิสบูชาและปฏิบัติบูบชาอามิสบูชาคือการบูชาด้วยเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ทูกเทียนปฏิบัติบูบบชา คือการปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้เช่นการทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิเจริญปัญญาการบูชาทั้งสองแบบนี้พระพุทธองค์ทร ง, ทรงยกย่อง ว่าการปฏิบัติบูบชาเป็นการบูชาที่ดีเลิศเป็นการบูชาที่ให้ผลที่ประเสริฐส่วนการบูชาด้วยอาวิสบูชาเป็นการแสดงความอ่อนน้อมแสดงความเคารพเพื่อที่จะนําไปสู่การปฏิบัติบูบชาต่อไปถ้ามีแต่อาวิสบูชา และไม่มีปฏิบัติบูบชาผลอันดีเลิศอันตรเสริที่จะเกิดขึ้นจากการบูชาก็จะไม่ปรากฏขึ้นเพราะว่าหัวใจของการบูชานั้นก็อยู่ที่การปฏิบัติบูบชาดังในพระบาลีที่ทรงแสดงไว้ว่าบูชาจะปูชนียนามเอตัมมังกาลโมตตมมัง การบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นความสรัทของคนอย่างยิ่งแก่ชีวิตดังนั้นเราจึงควรที่จะให้ความสนใจกับการปฏิบัติบูบชาให้มากกว่าอาบิสบูชาอาบิสบูชาก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เริ่มเป็นตัวเริ่มตัวนำ เพื่อให้เราเข้าสู่การปฏิบัติบูชาถ้ามีแต่อมิสบูชาอย่างเดียวผลที่เราปรารถนากันคือความเป็นสิริมงคลกับชีวิตของเราจะไม่ปรากฏขึ้นเพราะการปฏิบัติบูชาเท่านั้นที่จะเป็นการนำพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสาระอันสูงสุดมาประดิษฐาน ในใจของเราเดี๋ยวนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังอยู่ภายนอกอยู่ถ้าเรายังไม่ปฏิบัติแต่เมื่อเราเริ่มปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสรงสั่งสอนแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายนอกก็จะเข้ามาอยู่ภายในใจเรากลายเป็นพุทธธรรมะและสังขาพุทธคือผู้รู้ ธรรมะก็คือมรรคผลนิพพานสังขะก็คือสุปฏิปันโนคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองเมื่อเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสิ่งที่จะปรากฏขึ้นมาก็คือการบรรลุธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานตามลําดับเมื่อได้บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุธรรมแล้ว ย่อมเข้าถึงพุทธะคือผู้รู้ดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ที่จะเห็นตถาคตเห็นธรรมได้ต้องเป็นสุ ป, ปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศึกษาแล้วนำเอา ธรรมะที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วธรรมะคือผลก็ย่อมปรากฏขึ้นตามลำดับนี่แหละวิธีที่จะทำให้เกิดความเป็นสิริงมงคลแก่ชีวิตของเราเพราะว่าเมื่อเรามีธรรมะอยู่ในใจแล้วก็เท่ากับเรามีพุท ธ, ธะมีสังขะควบคู่ไปด้วยเพราะว่า อยู่ที่ไหนถ้ามีพุท ธ, ธะก็ต้องมีธรรมะต้องมีสังขารถ้ามีธรรมะก็ต้องมีพุท ธ, ธะมีสังขารถ้ามีสังขารก็ต้องมีพุท ธ, ธะมีธรรมะทั้งสามสิ่งนี้ไม่แตกแยกจากกันจะไปควบคู่กันเสมอในเชิงปฏิบัติในความเป็นจริงแต่ในทางปริยัติหรือในทางภายในโลกภายนอกที่เราเข้าใจกัน เราก็คิดว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงตรัสรูธ้ธรรมอยู่ที่อินเดียพระธรรมคําสอนก็อยู่ในพัฏฐิปิฎกพระสงฆ์สาวกก็อยู่ทั่วไปตามวัดต่างๆนี่เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกแต่เมื่อเราได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยหลักสุปฏิปโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะรวมกันเข้ามาสู่ใจด้วยการบรรลุธรรมขั้นต่างๆ ต, ตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอระหันต์มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันเมื่อได้บรรลุถึงขั้นพระอระหันต์ก็จะได้บรรลุพระนิพานไปพร้อมๆกันพระพุทธองค์จึงทรงแสดงไว้ว่าธรรมที่จะบรรลุนั้น มีอยู่มัคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมัค ก, กับผลนี้เป็นคู่กันมัค ก, กับผลผลจะปรากฏขึ้นได้ก็จะต้องมีมัคคือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติทานศีลภาวนาเมื่อได้ปฏิบัติแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นลําดับไปตั้งแต่ขั้นสวัดาบาล ขัานสกิดาคามีอาณาคามีขั้นอรหัตผลจนถึงพระนิพพานอันเป็นขั้นที่สูงสุดมกผลนผิพพานทั้งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสัมงสอนนังที่ท่านทั้งหลายได้มาที่วัดกันอย่างสม่ำเสมอ ทุกวันพระก็เพื่อที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อมรรคผลนิพพานที่จะปรากฏตามมาโดยลําดับเมือ่อได้บรรลุมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งผู้ปฏิบัติก็จะกลายเป็นพระอริยะบุคคลข่านนั้นพระอริยะบุคคลนี้ไม่ได้กําจัดให้อยู่กับเพศกับวัยคือเด็กก็บรรลุเป็นพระอริยะได้ ผู้ใหญ่ก็บรรลุเป็นพระอริยได้ผู้หญิงผู้ชายก็เป็นพระอริยได้นัก บ, บวชกับคารวะาผู้ครองเรือนก็บรรลุได้เช่นกันธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่กีดกั้นผู้หนึ่งผู้ใดสิ่งที่จะกีดกั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของเราเท่านั้นและกิเลสตัณหาก็จะ ไม่สามารถขวางกั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเช่นทานศีลภาวนาหรือสมาธิศิลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธที่จะทําลายกิเลสตัณหาที่ขวางกั้นธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า ให้ปรากฏขึ้นมาในจิตในใจของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายดังนั้นการที่การปฏิบัติธรรมของเราจึงต้องเน้นไปที่การชำระการทำลายกิเลสและตัณหาทั้งหลายให้หมดไปหมดสิ้นไปจากจิตจากใจไม่ใช่อยู่ที่การปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มา สิ่งต่างๆที่จะได้มานั้นเรียกก็เป็นผลพลอยได้สิ่งที่เราต้องการจะทำก็คือการกําจัดกิเลสตัณหาเท่านั้นเองเพราะถ้ายังมีกิเลสตัณหาอยู่ธรรมะของพระพุทธเจ้า ก, ก็จะไม่สามารถเข้าไปประดิษฐานอยู่ในใจของเราได้ถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประดิษฐานอยู่ในใจเราก็ปราศจากที่พึ่ง เราก็ยังต้องทนทุกข์ทรมารกับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการเกิดบ้างการแก่บ้างการเจ็บการตายบ้างการพัดพาดจากของรักของเจริญใจบ้างการเผชิญกับของที่ไม่ชอบบ้างเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุที่เกิดจากการทางานของกิเลสและตัณหาทั้งสิ้น ตาใดถ้ายังมีกิเลสตัณหาอยู่ในใจกิเลสตัณหาก็จะสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เราให้ใจของเราต้องมีความทุกข์มีความวุ่นวายไม่รู้จักจบจา ก, กสิน้นแต่ถ้าเรามีความขมักขมึนมีความขยันภาคเพียรอุสาหมีความเข้มแข็งอดทนที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า อย่างต่อเนื่องอย่างไม่ลดละแล้วกิเลสตัณหาที่เป็นอุปสรรคความก้าอยู่ภายในใจก็จะค่อยๆหมดไปไม่ว่ากิเลสตัณหาจะมีมากน้อยเพียงไรก็จะไม่สามารถทนสู้กับความภาคเพียรได้ความภาคเพียร น, นี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติธรรมเพราะ คนเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็เพราะความเพียนนี้เองถ้าไม่มีวิริยะความภาคเทียนแล้วต่อให้มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏในโลกนี้อยู่กี่ล้านกี่แสนพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้เราคนทุกข์ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นไม่สามารถปฏิบัติแทนเราได้ ไม่สามารถสร้างความภาคเพีินในตัวของเราได้ผู้ที่จะปฏิบัติผู้ที่จะยกตนให้ค้นทุกข์ได้ก็คือตัวเราเองด้วยความภาคเพีินเท่านั้นถ้าไม่มีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็หมดหวงังแต่ความขยันหมั่นเพียรนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถปรากฏขึ้นในใจของเราได้พวกเราทุกคนมีความภาคเพีินกันทั้งสิน้น ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราใช้ความภาคเพียนไปในทางที่ไม่ถูกเท่านั้นเองแทนที่จะเอาความภาคเพียนนี้มาต่อสู้ทำลายกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจเรากับเอาความภาคเพียนนี้มาเป็นองคครักษ์เป็นทาตของกิเลสตัณหาเวลากิเลสตัณหาสั่งให้เราไปแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มา เราก็วิ่งกันทำกันอย่างเต็มที่เช่นสั่งให้เราไปหาเงินหาทองมาเราก็วิ่งกันไปตื่นเช้าแต่เมือ่ออกจากบ้านแต่มืดด้วยความลําบากรังบนต้องออกไปต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆในแต่ละวันก็เพื่อที่จะหาเงินหาทองมาทั้งทั้ที่ไม่รู้ว่าหามาแล้วจะได้ความสุขหรือไม่จะพ้นทุกข์หรือไม่ แต่เพราะโดนความหลงที่เป็นหัวหน้าของกิเลสตัณหาคอยกระติดคอยสั่งบอกว่าไปหามาเถอยิ่งรวย ย, ยิ่งรวยเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งรวยแล้วจะยิ่งมีความสุขอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอันนี้ไม่ใช่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกคนเราจะจะสุขได้จะมีความพ้นทุกได้ต้องมีการ พยันหมั่นเพียรต่อสู้กับความโลภ ก, กับความอยากทั้งหลายอย่าไปโลภอย่าไปอยากให้มีเงินทองมากๆนั่นไม่ใช่เป็นทางที่ถูกการที่เราออกไปทำหากินนี้ก็เพียงเพื่อดูแลรักษาอัตภาพร่างกายของเราให้อยู่ไปได้โดยไม่มีปัญหาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อเราจะได้ใช้อัตภาพร่างกายนี้มา ปิบัติธรร ม, มาต่อสู้กับกิเลสปัญหาทั้งหลายมันเป็นตัวสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับเราไม่รู้จักจบจากสิน้น <c oughs> ถ้าเรานําความขยันหมั่นเพียร น, นี้มาต่อสู้กับกิเลสดังที่ท่านทั้งหลายได้มากระทํากันในวันนี้วันนี้ท่านก็ต้องตื่นแต่เช้าก็ต้องต่อสู้กับกิเลสความขี้เกียจกิเลสไม่ค่อยชอบตื่นเช้ามืด อยากจะนอนไปเรื่อยๆนอนสายๆตื่นสายๆนี่เป็นการตอบสู้กับกิเลสถ้าจะมาวัดก็ต้องตื่นแต่เช้าต้องเตรียมตัวเตรียมข้าวเตรียมของแล้วก็ต้องเดินทางมาที่วัดถ้าไม่มีความวิริยะความภาคเปลี่ยนแล้วก็จะไม่สามารถเดินทางมาถึงที่วัดได้แต่ถ้าเวลามีใครนัดชวนให้ไปเที่ยวกัน ในวันนี้ถึงแม้จะต้องตื่นตีสองตีสาก็จะตื่นขึ้นได้ ท, ทันทีเพราะความภาคเพียร น, นี้ชอบรับใช้กิเลสตัณหานั่นเองถ้ากิเลสชวนให้ไปเที่ยวกินเหล้าเมายาเป็นเล่นการพนันจะนั่งรถไปถึงชายแดนเพื่อไปเล่นการพนัน ก็จะถอไปจะขยันไปไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจะเตื่นกี่โมงก็ไปได้แต่ถ้าจะต้องเตือนขึ้นมาเพื่อใส่บาตรมาวัดแต่ละครั้งรู้สึกว่าจะเป็นการลาบากลาบุญเหลือเกินเหมือนกับว่าจะต้องไปนรกอย่างนั้นทั้งทงที่การมาวัดก็ดีการทำบุญตัก บ, บาตรก็ดีนั้นเป็นการดำเนินเพื่อไปสู่สวรรค์อย่างแท้จริง ไปสู่การสิ้นความทุกข์ทั้งหลายแต่เพราะถูกอำนาจของกิเลสตัณหาโมหะวิชาความหลงครอบงามจิตใจยอยู่จึงทำให้จิตของเรานั้นเห็นกับตาละปัดไปเห็นเจ้านายที่สั่งให้เราไปนรกว่าเป็นเจ้านายที่สั่งให้เราไปสวรรค์ส่วนเจ้านายที่สั่งให้เราไปสวรรค์ กับเหมือนกับว่าสั่งให้เราไปนรกไปลำบากลำบนจึงไม่ค่อยมีใครได้ไปสวรรค์ไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันเท่าไหร่เพราะชอบไปนรกกันนั่นเองถ้าให้ไปกินเหล้าเมายาไปเที่ยวกัาคืนไปเล่นการพนันอย่างนี้ชอบกันแทบจะไม่ต้องชวนเลยนีไม่ดีอยู่บ้านไม่มีใครชวนก็เลยต้องโทรไปหาคนอื่นไปชวนเขาไปเสียก็มี เพราะนี่เป็นเป็นอำนาจของกิเลสตัณหาที่มันมีอยู่ภายในใจของเราและเราก็ไม่เคยคิดที่จะต่อสู้กับอำนาจแบบนี้เลยเพราะเราไม่รู้นั่นเองเพราะความหลงเพราะเราคิดว่าเรากำลัมงมีความสุขกันทุกครั้งเวลาเราออกไปเที่ยวเราก็มีความสุขแต่เราไม่รู้ถึงความทุกข์ที่มันซ่อนเร้นอยู่อยู่ภายในที่มันตามมาทีหลัง เวลาออกไปเที่ยวก็สนุกสนานดีแต่วันต่อไปถ้าเกิดไม่มีปัญญาที่จะออกไปเที่ยวได้ก็จะต้องมีความหงุดหงิดใจมีความเบื่อหน่ายมีความเศร้าหมองตามมาและถ้าไม่สามารถออกไปได้เรื่อยๆได้นานๆเข้าดีไม่ดีก็จะต้องถึงขั้นกับทำร้ายชีวิตของตัวเองก็ได้เพราะความเบื่อหน่าย ตายอยากในชีวิตนั่นเองคิดว่าชีวิตนี้ไม่มีความสุขเลยที่ไม่ได้ไปเที่ยวไปกินเหล้าเมายาไปหาความสุขทางการอารมณ์ต่างๆนั่นก็เป็นเพราะว่าจิตของเราถูกอำนาจของกิเลสตาณากรองเสียอยู่หมดเลยไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงว่าไม่มีกไม่มีกสิ่งเหล่านี้ เราจะดีกว่าเสียอีกดูพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกเป็นตัวอย่างท่านก็เคยผ่านสิ่งเหล่านี้มาเหมือนกับพวกเราท่านก็เคยกินเหล้าเมายามิเสพการมาลมต่างๆเล่นการพนันสนุกสนานกับเรื่องเหล่านี้แต่ท่านเป็นคนฉลาดท่านใช้ปัญญาสังเกตดูว่ามันมีคุณมีโทษมากน้อยเพียงไร ท่านก็เห็นว่าโทษของมันมากกว่าเป็นคุณเพราะว่ามันทําให้เราเป็นท่าเราจะต้องคอยหาสิ่งเหล่านี้มาเลี้ยงจิตใจอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องลงแดงตายไปในที่สุดนี่คือโทษของการที่เราไปยุ่งเกี่ยวกับความสุขต่างๆทางกามาลุ่มท่านเห็นท่านจึงสละ ชีวิตเพศของขันธ์ผู้ครองเรือนแล้วออกบวชแสวงหาความสุข <c oughs> ชนิดหนึ่งที่เกิดจากการชําระกิเลสตัณหาทําลายกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากจิตจใจเพราะเมื่อกิเลสตัณหาได้ถูกทําลายหมดสิ้นไปจากจิตจากใจแล้วจะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจ จะไม่มีอะไรมาต้องคอยสั่งให้จิตใจไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาบ ำ, บำเบลเพียงแต่นั่งอยู่เฉยๆก็มีความสุขแล้ว mm hmm. เพราะนี่คือความสุขที่เกิดจากความสงบระ ง, งับของจิตนั่นเองระ mm hmm. ง, งับจากกิเลสตัณหาความทะเยอยานอย่างทั้งหลายพ mm hmm. ระพุทธองค์จึงทรงยกย่องความสุขนี้ว่าเป็นสุขที่เลิศเป็นสุขที่ประเสริฐ ไม่มีสุขใดในโลกนี้จะเสมอเท่าสุขที่เกิดจากความสงบนัตสันติปารังสุขขังนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่มีอยู่กับตัวเราตลอดเวลาเป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งอื่นใดภายนอกเลยแม้แต่สังขารร่างกายนี้สุขนี้ก็ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยเมื่อได้สุขนี้แล้ว สังขารร่างกายนี้จะเป็นอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะไปลบล้างทำลายความสุข น, นี้ให้หมดไปได้เ mm hmm. ช่นเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นจะตายอย่างไรความสุขนี้จะไม่หายไปจากจิตจากใจจะเป็นความสุขที่มีอยู่ตลอดเวลาดังนั้นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายผู้ได้บรรลุถึงความสุข น, นี้แล้ว จะไม่มีความหวั่นไหวต่อความเป็นความตายของสังขารร่างกายต่อความเจ็บไข้ได้ป่วนของสังขารร่างกายไม่ว่าจะหูหนวกตาบอดแขนขาดหรือจะเป็นอะไรก็ตามกับร่างกายนี้จะไม่ไปกระทบกับความเป็นสุขของจิตใจนี้ได้เลยเพราะว่าไม่มีตัวที่จะไปทำให้เกิดความทุกข์ในจิตนั่นเอง เพราะว่าตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์คือกิเลสตัณหาได้ถูกทำลายไปโดยหมดสิ้นด้วยอำนาจแห่งธรรมะของพระพุทธเจา้าคือทานศีลภาวนาหรือศีลหรือศีล ส, สมาธิปัญญาที่เป็นองค์มรรคหนีแลงถ้าเราจเจริญองค์มรรคนี้ไปไม่ช้าก็เร็วเราก็จะเข้าสู่ผลแต่ละขั้น เข้าสู่ผลของโสดาบันเข้าสู่ผลของสกิทาคามีเข้าสู่ผลของอนาคามีและในที่สุดก็จะเข้าสู่ผลของอรหรันต์เมื่อได้ถึงผลของอรหันต์แล้วก็จะเข้าสู่พระนิพพานไปตามลาดับเมื่อถึงพระนิพพานก็หมายถึงว่ากิเลสตัณหานั้นไม่มีแล้วในจิตจากใจ จิตเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากต่างๆซึ่งฟังแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นไปได้หรือคนเราจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าไม่มีความโลภไม่มีความอยากก็เป็นเหมือนคนสังกตายนั่นไม่ใช่ความหมายของการไม่มีความโลภความโกรธความหลงคนที่สังกตายนี้เป็นคนที่ผิดหวังต่างหากมีความอยาก แต่ไม่ได้สมกับความอยากถึงมีความรู้สึกสังกตายหรือถึงกับมีความอยากจะฆ่าตัวตายเพราะความผิดหวังความหมดหวังนั่นเองแต่จิตของพระพุทธเจ้าของข้าอรหรนันนี้ที่ได้ถึงนิพพานแล้วไม่มีความหวังกับอะไรไม่มีความอยากกับอะไรไม่ต้องการอะไรทั้งสิน้นเพราะพอแล้วอิ่นแล้วเหมือนกับคนที่รับประทานอาหารที่อิ่นแล้ว ไม่ต้องการอาหารอีกแล้วอย่างน้อยที่สุดก็มือนี้เมื่อกินอิ่มแล้วต่อให้ใครยกอาหารวิเศษขนาดไหนมาตั้งไว้ข้างหน้าก็ไม่มีความอยากจะรับประทานนี่ก็คือลักษณะของจิตที่ได้รับการชำระให้เป็นจิตที่สะอาด บ, บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเช่นนั้นเป็นจิตที่มีแต่ความอิ่มมีแต่ความพอ ไม่หิวไม่กระหายกับอะไรทั้งสิน้นใครจะดีใครจะชั่วใครจะวิเศษใครจะร่ำรวยอย่างไรใครจะมีสมบัติข้าวของอะไรที่พิสดารขนาดไหนก็ไม่จะมีไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นยินดีอิจฉานิษยาหรืออยากจะมีเหมือนกับเขาเพราะในใจมันไม่มีความอยากเหืออยู่เลยมันมีความสุขของมันและมันรู้ด้วยว่าความสุขอะีร ไม่มีอะไรในโลกนี้จะเทียบเท่าได้ต่อให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งักพันครั้งก็ยังไม่สู้กับความสุขที่ได้จากการกําจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจนี่แหละคือความวิเศษของธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าความวิเศษของการปฏิบัติบูบบชาเพราะถ้าเราปฏิบัติบูบชากันอย่างสม่าเสมอแล้ว ไม่ช้าก็เร็วจิตของเราก็จะค่อยๆสะอาดไปตามลำดับจนในที่สุดก็จะสะอาดบริสุทธิ์ไปถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถทำจิตของเราให้บริสุทธิ์ในภพนี้ชาตินี้ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเมื่อเราได้เริ่มทำงานนี้แล้วมันจะเป็นเหมือนกับไฟที่มันไหม้มันจะไหม้ไปเรื่อยๆตามเชื้อไฟที่มีอยู่ ชั้นใดเมื่อเราได้เริ่มเจริญปัญญาแล้วคือได้เข้าไปต่อสู้ทำลายกิเลสตัณหาแล้วมันก็จะตามต่อสู้ไปกับกิเลสตัณหาทุกภพทุกชาติไปจนกว่ากิเลสตัณหาจะไม่มีหลงเหลืออยู่ในจิตใจเท่านั้นงานนี้ถึงจะยุติหลงแต่ถ้าตราใดยังมีกิเลสตัณหาอยู่ไม่ว่าจะไปเกิดพบไหนชาติไหน มันก็จะต่อสู้กันต่อไปจนกว่าจะกาจัดให้หมดสิ้นไปจากฉิตจากใจเพราะเมื่อลองได้เริ่มปฏิบัติธรรมแล้วธรรมนี้ก็เป็นเหมือนธรรมะจักธรรมะจักนี่เมื่อลอมันเริ่มหมุนแล้วมันจะไม่หยุดหมุนจนกว่าจะทาหน้าที่ของมันได้เต็มที่คือบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองนี่แหละคือความวิเศษของ การปฏิบัติบูชาเพราะเมื่อปฏิบัติแล้วมันก็จะกลายเป็นลิสัยไปฝังลึกอยู่ในจิตใจใจเกิ mm hmm. ดพบไหนชาติไหน mm hmm. ก็จะมีแต่ความเยินดี mm hmm. ที่จะทำบุญทาทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญาดังที่ท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติกันทุกๆวันพระหรือมากกว่านั้น mm hmm. ก็เป็นเพราะว่าท่านได้เริ่มมีธรรมจักร เริ่มหมุนในจิตใจของท่านแล้วเมื่อธรรมจักรเริ่มหมุนแล้วธรรมจักก็จะหมุนไปทางวิวัตตะคือสวนทางกับวัตจักวัตจักนี่คือการหมุนสู่การเวียนว่ายตายเกิดด้วยการสะสมความโลภความโกรธความหลงด้วยการสะสมปัญหาความอยากต่างๆแต่ถ้าเป็นวิวัตตะคือทางแห่งธรรมจักแล้ว ก็จะไปสู่การถอดถอนต่อสู้ความโลภความโกรธความหลงการลดละปัญหาความอยากต่างๆแทนที่อยากจะร่ำจะรวยตอนนี้ไม่อยากรวยแล้วแทนที่จะมีตําแหน่งสูงๆก็ไม่อยากจะมีแล้วแทนที่อยากจะออกไปเที่ยวกินเหล้าเมายาหาความสนุกทางด้านการอารมณ์ก็ไม่อยากจะทําแล้วตอนนี้อยากจะแต่ทำบุญรักษาศีลปฏิบัติธรรมไหว้พระสวด ม, มนต์ จเจริญสมาธิจเจริญปัญญาเท่านั้นเพราะเวลาได้ปฏิบัติแล้วกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจก็ถูกชาระลงไปเมื่อกิเลสตัณหาถูกชาระลงไปตามลาดับความสุขก็จะปรากฏขึ้นมาในจิตในใจตามลาดับความทุกข์ความหนักอกหนักใจก็จะน้อยลงไปเบาบางลงไปจนในที่สุดก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่เลยกลายเป็นจิตที่หลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งหลายด้วยการภาคเพียนนั่นเองดุพ้นทุกข์ได้ด้วยความภาคเพียนด้วยการปฏิบัติบูชาดังที่เราทั้งหลายได้มากระทากันในวันนี้จึงขอให้เราจงมีความเชื่อมั่นมีความแน่ ว, แ น, วแน่มั่นคงกับการคำสอนของพระพธธุทธเจ้าอย่าให้กิเลสตัณหามอคอยหลอกชุดลากให้เราไปสู่ทาง ของกิเลสตัณหาเพราะทางกิเลสตัณหานั้นถึงแม้จะสนุกเพลิดเพลินแต่มันมีโทษที่ตามมาที่หลังเปรียบเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่กลายเบ็ดเวลาปลาที่ไม่ฉลาดไปคุบเหยื่อเข้าก็จะต้องพุบเบ็ดติดคอไปด้วยแล้วความทุกข์มัน ท, ที่เกิดจากเบ็ดที่มันคล้องคออยู่นี้เป็นอย่างไร มันต้องทุกขทรมาอย่างแน่นอนฉันใดถ้าเราไปตามทางของกิเลสตัณหาแล้วรับรองได้เราจะต้องมีความวุ่นวายใจมีความทุกข์ใจแบบไม่รู้จักจบจากสิน้นดังนั้นจึงขอให้เราจงพยายามมีความขันติอดทน ม, มีความขยันหมั่นเพียรต่อสู้พยายามปฏิบัติตามกําลังใจตามกําลังของเราที่เรามีอยู่ สามารถปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรก็ปฏิบัติไปให้ทานได้มากน้อยเพียงไรก็ให้ไปรักษาศีลได้มากน้อยเพียงไรก็รักษาไปปฏิบัติธรรมได้